รักบรรดา น, นิทานสีขาวเรื่องมานพผู้ไม่เคยพบความสุขมานพเป็นชายหนุ่มที่รู้สึกว่าตนเองน่าจะเป็นคนที่ไร้ความสุขที่สุดในโลกเพราะเขาไม่ใช่คนร่ำรวยไม่มีเงินทองมากมายไม่มีบ้านที่ใหญ่โตหรูหรามานพคิดว่าทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้เขาไม่เคยรู้จักกับความสุขเลย วันหนึ่งมีนักบุญท่านหนึ่งเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านที่มานบอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงพากันเชื้อเชิญให้นักบุญพักอยู่ในหมู่บ้านก่อนสักระยะเพื่อสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้คนในหมู่บ้านซึ่งนักบุญก็ตอบรับคำเชิญ น, นั้นด้วยความยินดีโดยปฏิเสธที่พักอันใหญ่โตและสะดวกสบายที่ชาวบ้านจัดให้ แต่ขอพำนักอยู่ในสาลาวัดประจําหมู่บ้านแทนฝ่ายมานพเมื่อทราบข่าวว่ามีนักบุญมาพำนักอยู่ในสาลาวัดก็รู้สึกดีใจยิ่งนักเพราะคิดว่านักบุญต้องช่วยให้เขารู้จักกับความสุขได้เป็นแน่จึงรีบออกจากบ้านไปหานักบุญที่วัดในทันทีเมื่อมานพไปถึงนักบุญกําลังนั่งสมาธิอยู่เพียงผู้เดียวพอดีท่านนักบุญ มานบเอ่ยเรียกเบาๆแต่เพียงแค่นั้นก็ทำให้นักบุญลืมตาขึ้นพร้อมมองเขาด้วยรอยยิ้มเล็กๆว่าอย่างไรเล่าเจ้าหนุ่มมีเรื่องอันใดอยากให้ข้าช่วยอย่างนั้นหรือนักบุญถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน โปรดช่วยกระผมเถิดท่านนักบุญทุกวันนี้กระผมรู้สึกทุกทรมานเป็นกำลังด้วยว่าตั้งแต่เกิดมานั้นยังไม่เคยได้รู้จักกับความสุขอย่างใครกูเลยมานบกล่าวอ้อนวอนเหตุใดเจ้าจึงคิดเช่นนั้นเล่านักบุญถามอีเพราะกระผมเป็นคนยากจนไม่มีเงินทองไม่มีความพรั่งพร้อมในชีวิตดังนั้นกระผมจึงไม่มีความสุข มานพตอบด้วยน้ำเสียงอันเศร้าหมองเจ้าหนุ่มเอ๋ยนักบุญกล่าวความสุขนั้นหาได้ไม่ยากดอกจงจำไว้เถิดว่าแม้เจ้าจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่หากเจ้ามีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเองและพอใจในทุกสิ่งที่ตนเองมีแล้วเจ้าก็จะพบกับความสุขสงบได้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใด แต่มานพไม่เชื่อเขารู้สึกต่อต้านคำสอนของนักบุญอย่างรุนแรงและพูดออกมาด้วยอารมณ์ขุนมัวว่านี่คือคำสอนที่หาความจริงไม่ได้ความพอใจในสิ่งที่มีไม่อาจทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับการมีทองคำเป็นจำนวนมากนักบุญนิง่งมองมานพอย่างเนิ่นนานก่อนจะกล่าวแก่มานพต่อไปว่าถ้าเจ้าเชื่อมั่นเช่นนั้น ข้าก็จะมอบทองคําให้เจ้าตามต้องการด้วยการใช้นิ้วนางวิเศษของข้าเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้กลายเป็นทองคําตามที่เจ้าต้องการแต่มีข้อแม้ว่าสิ่งที่นํามาเปลี่ยนเป็นทองคําจะต้องเป็นสิ่งของในครอบครัวของเจ้าในความครอบครองของเจ้าตอนนี้เท่านั้นและเจ้าต้องขนสิ่งเหล่านั้นมาด้วยตนเอง เมื่อได้ฟังดังนั้นมานพก็รีบวิ่งกลับบ้านและขนเอาสิ่งของเท่าที่จะขนได้มากองไว้ตรงหน้านักบุญนักบุญใช้นิ้วนางวิเศษจรดลงไปบนสิ่งของเหล่านั้นฉับพลันสิ่งของเหล่านั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นทองคำไปหมดทุกชิ้นเห็นดังนั้นแล้วมานพถึงกับกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเขารีบขน ของที่กลายเป็นทองคําทั้งหมดกลับบ้านแล้วไปขนเอาสิ่งของที่เหลือมาให้นักบุญเปลี่ยนเป็นทองคําอีกเรื่อยๆสวันผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของมานพกลายเป็นทองคําไปหมดแต่มานพก็ยังไม่พอใจเขาคิดว่าเขายังมีทองคําไม่มากพอกับความต้องการและอยากได้มากกว่านั้นอีกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นทองคาไปหมดแล้ว แต่ทันใดนั้นมานพก็คิดขึ้นมาได้ว่ายังมีบ้านของเขาเหลืออยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นทองคําใช่แล้วเรายังมีบ้านของเรานี่ใช่แล้วละ่ะเราจะให้นักบุญเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นทองคําแล้วเราจะได้ร่ำรวยมหาศาลแม้จะคิดเช่นนั้นแต่มานพไม่สามารถขนบ้านของเขาไปหานักบุญได้ด้วยตนเองเขาจึงไปหานักบุญและพูดว่า กระผมอยากให้ท่านช่วยเปลี่ยนบ้านของกระผมให้กลายเป็นทองคำแต่กระผมคนเดียวไม่อาจขนบ้านทั้งหลังมาหาท่านได้ดังนั้นขอได้โปรดเถิดท่านนักบุญผู้วิเศษขอเชิญท่านไปที่บ้านของกระผมเพื่อใช้นิ้วนางที่วิเศษของท่านแตะบ้านของกระผมให้เปลี่ยนเป็นทองคาด้วยเถิดแต่นักบุญใส่หน้าแล้วพูดว่าแม้บ้านของเจ้าจะเปลี่ยนเป็นทองคาทั้งหลัง แต่เจ้าก็จะไม่มีวันได้พบกับความสุขรอเพราะเจ้าไม่เคยพอใจในสิ่งที่เจ้ามีเมื่อได้แล้วก็อยากได้อีกเรื่อยๆทำให้เจ้ายิ่งทุกข์ทรมานเพราะความอยากได้ที่เพิ่มทวีนั้นแต่ถ้ากระผมมีบ้านทองคำกระผมเชื่อว่ากระผมต้องมีความสุขมากแน่ๆมานบว่าค่าจะไม่ไปที่บ้านของเจ้าหรอกนักบุญยืนยัน ถ้าอย่างนั้นกระผมก็ต้องทําในสิ่งที่ไม่อยากทํามานพดึงมีดที่พกติดตัวออกมาจากฝักกระผมจะตัดนิ้ววิเศษของท่านเสียเดี๋ยวนี้นอกจากจะไม่แสดงอาการสะทกสะท้านใดๆแล้วนักบุญยังยื่นนิ้วนางวิเศษของตนออกมาให้มานพอีกด้วยถ้าเจ้าคิดว่านี่คือความสุขของเจ้าก็ตัดเอาไปได้เลย ตอนนี้มานพบไม่คิดถึงความผิดชอบช่วดีอะไรทั้งสิ้นในหัวของเขามีแต่ภาพฝันของชีวิตที่แสนฟุ้งเฟ้อในบ้านของคำความโลภเข้าครอบงมสติของเขาไปแล้วจนหมดสิ้นแล้วมานพบก็จับนิ้วนางวิเศษของนักบุญพร้อมกับเนื้อมีดขึ้นเพื่อจะตัดนิ้วนางนั้นแต่มานพบหาได้สมปรารถนาไม่ เขายังคงไม่รู้จักกับความสุขเหมือนเคยและไม่มีโอกาสได้หาความสบายจากความร่ำรวยนั้นด้วยว่าทันทีที่มานพแปะนิ้วของนักบุญร่างของเขาก็กลายเป็นทองคําที่ไร้จิตวิญญาณไปในทันทีจากวันนั้นก็ไม่เคยมีใครพบเห็นนักบุญท่านนั้นอีกเลยส่วนทองคําของมานพก็ถูกทางการส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บเข้ากองคลังหลวงเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่ตอไป เธอทั้งหลายหลายๆครั้งเธอก็รู้สึกใช่ไหมว่าตอนตอนเองนั้นไม่เคยมีอะไรมากพอหรือสิ่งที่มีก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเธอจึงพยายามดิ้นรนขวนขวายอยู่นั่นแล้วแต่เคยสังเกตหรือไม่ยิ่งเธอมีเธอก็ยิ่งไม่เคยพอเธอว่าหากเธอมีสิ่งที่เธอต้องการนั้นแล้วเธอก็จะมีความสุขแต่เมื่อเธอได้สิ่งนั้นมาเธอกลับพบว่า เธอต้องเหนื่อยมากขึ้นเพื่อรักษาสิ่งนั้นให้อยู่กับเธอนานที่สุดและตัวเธอก็ไม่อาจหยุดไขว้าหาสิ่งที่ดีกว่านั้นต่อไปได้ความพยายามทำให้ตนเองไปสู่จุดที่ดีกว่านั้นเป็นเรื่องน่าสนับสนุนทีเดียวแต่บางครั้งเธอต้องรู้จักพอเมื่อถึงจุดที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเธอแล้วเธอต้องรู้จักค้นหาวิธีบริสุทธิ์เพื่อนาตนเองไปสู่ความสุขที่แท้จริง ความโลภความโกรธความหลงมักก่อให้เกิดกิเลสและในท้ายที่สุดแล้วกิเลสจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของเธอไม่เหลือความสุขหรืออะไรอะไรในชีวิตอีกเลย